เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เรามาจากไหนเราจะไปไหนต่อนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนามีคำตอบ ให้กับพวกเราพวกเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใ, ใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหนตามความอยากตามความต้องการของใจสิ่งที่ใจอยากได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งต้องใช้ร่างกายที่มีตาหูจมูกเล่นกายเป็นเครื่องมือถึงจะสามารถ ดูรูปได้ฟังเสียงได้ใจต้องการรูปเสียงเกล่นลดมาให้ความสุขกับใจใจก็เลยต้องไปมีร่างกายไปรอรับกา้างกายจากพ่อแม่ที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาก่อนที่เราจะได้ร่างกายอันนี้เราเป็นอะไร ตอนนั้นเราไม่มีร่างกายตอนนั้นเราเรียกว่าเราเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มารอรับร่างกายที่พ่อแม่ของเราจะผลิตขึ้นมาเครื่องที่เราเป็นดวงวิญญาณก่อนที่จะมาได้ร่างกายเราก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข หรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีความสุขเกิดจากอะไรเกิดจากอดีตชาติคือครั้งก่อนครั้งที่เรามีร่างกายเราได้ทำบุญเอาไว้มากกว่าได้ทำบาปพอร่างกายอันเก่าของเราตายไปเราก็เป็นดวงวิญญาณ ที่มีความสุขจากบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดวงวิญญาณที่มีความสุขเราเรียกว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์สวรรค์ก็คือที่อยู่ของดวงวิญญาณเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์ที่มีความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ในทางตรงกันข้าม ถ้าอดีตชาติเราทำบาปไว้มากกว่าทำบุญเวลาที่ร่างกายตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์นี้ก็จะอยู่ในอบายอบายก็มีอยู่สาม สี่อันด้วยกันถ้ายังไม่มีร่างถ้ามีร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยเรียกว่าเปรตถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ที่เกิดจากความกลัว เ็เรียกว่าเอาสูรกายถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกก็จะรองรับผลบุญของับผลของบาปที่ได้ทำไว้จนกว่าบาปนั้นหมดกำลังที่จะให้ผลต่อดวงวิญญาณดวงนั้นพอ บาปหรือบุญส่งผลหมดแล้วคือไม่สามารถส่งผลได้ต่อไปเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ <c oughs> ดวงวิญญาณกับช่วงนั้นบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถส่งผลให้กับดวงวิญญาณได้บาปก็ไม่สามารถส่งผลให้กับ ดวงวิญญาณได้พอมีกำลังเท่ากันก็จะเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณจะมารอรับร่างกายอันใหม่ของมนุษย์นี่เองแล้วพอเราได้คิวของเราได้ไปรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราเราก็จะได้ร่างกายอันนี้มาเนี่ยร่างกายที่พวกเรา ได้มาขนาดนี้เป็นร่างกายที่เรารับมาจากพ่อแม่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เราเอามาเล่นเอามาใช้ตามความอยากของเราเราก็หลงไปกับร่างกายเพราะว่า เวลาเราเวลาร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็เกาะติดอยู่กับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดเพียงแต่ว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเรามองไม่เห็นตัวเราเองเราก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานะเพราะเราทําอะไรพร้อมๆไปกับร่างกายนั้นเอง เราคิดปั๊บสั่งให้ร่างกายลุกร่างกายก็ลุกสั่งให้ร่างกายเดินร่างกายก็เดินสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายก็จะทำตามคำสั่งของเราเราก็ได้คิดว่าคำสั่งกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันคำสั่งนี้มาจากร่างกายนักวิทยาศาสตร์เขาก็วิเคราะห์ว่า คำสั่งนี้เกิดจากสมองของเราสมองของเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ผู้ที่ได้ค้นคว้าเรื่องดวงวิญญาณเรื่องจิตใจนี้จะรู้ว่าจิตใจหรือดวงวิญญาณกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นฝาแฝด เป็นแฝดสยามมาเกาะติดกันจะแยกออกจากกันก็ตอนที่ร่างกายตายไปเท่านั้นนี่คือความจริงของพวกเราพวกเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกาย ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราซึ่งในขณะเดียวกันความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆมันก็พ้นพิษใส่เราเพราะมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลาความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆมันหมดไปมันก็ทำให้ใจเราทุกข์ มันเป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอจึงทำให้เราต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆเหมือนเติมน้ำใส่ตุ่มนะเราเติมน้ำใส่ตุ่มแล้วเราก็ตักมาใช้กันพอใช้ไปสักระยะหนึ่งน้ำมันก็หมดเราก็ต้องเติมใหม่นี่คือความสุขที่เราได้รับจากการใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับเราเราไปหาความสุขจากการได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายของเราเช่นของแข็งของนุ่มอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนเนี่ย <Yeah. S 1> เราพอได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมานะเพราะในโลกนี้สิ่งต่างๆมีทั้งสองอย่างปนกันมามีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบนะเวลาเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุข เวลาเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบไปหรือกำจัดสิ่งที่เราไม่ชอบให้หายไปแต่บางเวลาเราก็ทำได้บางเวลาเราก็ทำไม่ได้เวลาที่เราทำไม่ได้เราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา นี่คือชีวิตของพวกเราวนเวียนไปกับความสุขความทุกข์เพราะว่าเราไปหาสิ่งที่มันมีความทุกข์นั่นเองเราไม่ไปหาสิ่งที่ไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่ามีหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนเราไม่รู้กัน ชีวิตเราก็เลยต้องทนไปกับความทุกข์ขณะที่เราสแสวงหาความสุขกันได้ความสุขมาความสุขที่ได้ก็ทำให้เราทุกข์ต่อไปเวลามันหมดไปสิ่งที่เราไม่ชอบพอสัมผัสกับมันเราก็เจอความทุกข์เวลามันหายไปเราก็สบายใจขึ้นมานี่คือ การหาความสุขของเราเราไม่ได well. like. ้ความสุขน้วนๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเวลาได้สิ่งที่ชอบก็เกิดความสุขเวลาได้สิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์บางทีเราก็แก้ได้ทาให้ความสิ่งที่เราไม่ชอบหายไป เวลาที่แก้ไม่ได้เราก็ต้องทุกขกับมันไปเรื่อยๆสุขที่เราได้มาเราก็ไม่สามารถรักษาเก็บให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องหนีเราไปจากเราไปพอมันหนีไปจากเราไปเราก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้มันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา ชีวิตของพวกเราก็เลยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เป็นชีวิตแบบสุขสุดิบๆ3บสามวันดีสี่วันไข้สามวันสุขสี่วันทุกสลับกันไปสลับกันมาแต่เราก็ไม่รู้จักทางเลือกทางอื่นเราก็ติดอยู่กับการหาความสุขแบบนี้ไปจนวันแก่วันเจ็บวันตาย พอร่างกายตายไปใจที่หาความสุขจากสิ่งต่างๆไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ไม่หมดไปมันก็เลยพาให้ใจที่ไม่มีร่างกายนี้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายอันใหม่แต่ก่อนที่จะไปเข้าคิวได้ ต้องผ่านประตูบุญประตูบาปก่อนคือในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาที่เราหาความสุขต่างๆบางครั้งเราก็หาโดยวิธีทําบาปกันเพราะเราไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทําบาปแต่เรายังอยากจะได้ความสุขอยู่เราก็เลยต้องทําบาปกันบาปก็สะสมไว้ในใจของเรา บางครั้งเราโชคดีเราหาความสุขมาได้มากกว่าที่เราจะเก็บไว้ใช้ไว้กินคนเดียวได้เราก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นเช่นข้าวของเงินทองต่างๆบางคนโชคดีทามาค้าขาย ร, รุ่งเรืองขายดิบขายดีได้รายรับมามากมายมากกว่าที่ตนเองจะใช้ได้หมด ก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงคนที่มีพระคุณเช่นบิดามานดาคูบ า, าจา์ปูย่าตายายผู้ที่เคยเลี้ยงดูเคยสนับสนุนมาก็อยากจะแบ่งความสุขให้กับท่านเหล่านี้เราก็ได้ทำบุญกันและนอกจากนั้นถ้ายังมีเหลืออยู่มากก็เอาไปสนับสนุนผู้ที่เป็นคนดีทา ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปไปทำบุญกับวัดบ้างไปทำบุญกับโรงเรียนบ้างทำบุญกับโรงพยาบาลบ้างก็ได้มีโอกาสสร้างบุญขึ้นมาทำบุญขึ้นมานี่คือชีวิตของพวกเราขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็พยายามหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถ้า เราหาไม่ได้ด้วยวิธีที่ไม่ทาบาปบางทีเราก็ต้องทาบาปเพราะเวลาไม่ได้แล้วมันทรมานใจเราก็เลยต้องพยายามทำให้ได้หามาให้ได้ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าทำบาปเราก็ยอมทำเพราะเราก็ไม่รู้ว่าการทำบาปนี้มีผลอย่างไรกับจิตใจของพวกเรา บางทีถึงแม้จะมีคนบอกว่ามีผลไม่ดีแต่เราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันไม่ดีตรงไหนเพราะเห็นคนทำบาตได้ดิบได้ดีเยอะแยะไปเห็นคนโกหกหลอกลวงช่อโกงกับร่ำรวยกลับเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เลยทำให้เราไม่มั่นใจว่าบาปนี้มันมีโทษอย่างไร เพราะเราไม่ได้ฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าเราไดพ้พบกับคนที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธพระสงฆ์ท่านก็จะบอกว่าผลมันเกิดที่ใจของเราไม่ได้เกิดที่ร่างกายของเราผลกระทบที่เกิดจากการทำบาปมันจะทำให้ใจเราไม่สบายกรกวนกรวายกระสรับกระสายวิตกกังวล หวาดกลัวนี่คือผลที่จะเกิดเวลาเราทําบาปกันแล้วเวลาตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการทําบาปของเรานี่เองนี่คือเหตุที่ทําไมคนเราบางคนจึงไม่กลัวบาปกัน เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําบาปกันแน่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนไปรับผลบาปและไม่รู้ว่าที่รับผลบาปอยู่ตรงไหนพอเห็นเพียงแต่ร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทําบาปและเป็นผู้รับผลของการกระทําบาปแต่ทําไมาคนที่ทําบาปกับไม่ได้รับผลกันมีมากมายเขาบอกว่าทําบุญ ไม่ได้ดีมีถมไปทำบาปแล้วได้ดีมีถมไปเพราะว่าคนทําบาปมักจะได้ผลดีเคยได้ดิบได้ดีทางร่างกายร่างกายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งร่างกายได้ทรัพย์ได้สมบัติข้าของเงินทองมา ด่า น, นี้ไม่ได้เป็นผลของการทำบาปหรือทำบุญอันนี้เป็นผลพลอยได้จากการทำบาปแต่ผลที่แท้จริงเกิดที่ใจของผู้กระทำบาปใจจะร้อนใจจะไม่เป็นปกติใจจะไม่สบายแล้วก็เวลาตายไปเวลาที่ไปรอรับร่างกายอันใหม่ จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆวิธีที่เราจะนึกภาพของดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายว่าเป็นอย่างไรก็ขอให้เรานึกถึงตอนที่เรานอนหลับก็แล้วกันตอนที่เรานอนหลับนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายนี้ดูเหมือนคนตาย ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรนอกจากหายใจเท่านั้นคนนอนหลับกับคนตายต่างกันตรงที่มีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองเพราะฉนั้นก็สรุปว่าตอนที่เราหลับก็เหมือนคนตายเป็นคนตายแบบชั่วคราวยังไม่ตายจริงตายชั่วคราวตายห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมง ช่วงที่เรานอนหลับเกิดอะไรขึ้นในใจเราก็เกิดความฝันความจริงเราเรียกว่าฝันแต่ความจริงมันเป็นมนโนภาพเหมือนกับมนโนภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เราใช้ตาเห็นรูปได้ยินเสียงแต่ความจริงมันไปนปรากฏในมนโนภาพของเราอยู่ในใจของเราใจของเราเป็นผู้รับรู้เป็นผู้เห็นรูปเป็นผู้ได้ยินเสียง ร่างกายกับตาหรือหูนี่เป็นเพียงผู้รับรูปรับเสียงตานี้ไม่รู้ว่าเขารับรูปอะไรเขาเห็นรูปอะไรเสียงเขาไม่รู้ว่าเขาได้ยินเสียงอะไรผู้ที่ได้รับรูปรับเสียงคือใจรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคือใจและเป็นผู้รู้ว่าเป็นรูปชนิดไหนเสียงชนิดไหน พออาศัยความจำได้หมายรู้จดจำเอาไว้ทุกครั้งที่เห็นรูปก็จำเอาไว้ว่ารูปนี้เป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรมีชื่อว่าอะไรข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรูปกับเสียงต่างๆนี้ใจจะเป็นผู้บันทึกจดจำเอาไว้พอครั้งต่อไปพอเห็นปั๊บก็จะรู้ทันทีไม่ต้องถามว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไร ดีไม่ดีอย่างไรมันจะรู้ทันทีนีนี่แหละผู้รู้ผู้คิดนี่แคือใจผู้ที่เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ต, ต, ตอนเวลาที่นอนหลับตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาสร้างมโนภาพขึ้นมาในใจ ตอนนั้นเราก็เลยใช้โมโนภาพเก่าคือความจำที่เราได้ไปทำอะไรมาในขณะที่เราตื่นความจำต่างๆมันเหมือนกับภาพยนตร์ที่เราถ่ายแล้วเก็บไว้ในเครื่องพอเราไม่ได้ไปเที่ยวนอกบ้านเราก็เปิดเครื่องดูดูว่าเมื่อก่อนนี้วันนั้นเราปีที่แล้วเราไปทำอะไรอยู่ที่ไหน อันนี้ก็เหมือนกันพอเรานอนหลับปั๊บเราก็ปิดเครื่องคือร่างกายปิดเครื่องที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นลดมาให้เราได้สัมผัสรับรูบร้พอเราปิดเครื่องเครื่องนั่งกายเราก็มาเปิดเครื่องข้างในเปิดเครื่องใจเครื่องบันทึกที่มีอยู่ในใจของเรามันก็ปรากฏเป็นภาพของความฝันขึ้นมาภาพต่างๆขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา ที่เราได้ไปบันทึกเอาไว้ถ้าเราบันทึกภาพที่ดีเราก็จะมีภาพที่ดีปรากฏให้เราเห็นเช่นถ้าเราไปทําบุญทําคุณทําประโยชน์ทําความสุขให้กับผู้อื่นเราก็ได้รับสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการกระทําเหล่านั้นภาพเหล่านี้เวลามันโผล่ขึ้นมามันก็ทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมา ถ้าเราไปทำบาปทำกรรมไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นกับตัวเราภาพเหล่านี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาตอนที่เรานอนหลับเนี่ยนี่แหละคือลักษณะของดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายต่างกันตรงที่ตอนที่ร่างกายหลับนี้มันเป็นดวงวิญญาณชั่วขา่าว มันได้สัมผัสกับภาพดีหรือไม่ดีชั่วคราวเพราะว่าพอร่างกายตื่นขึ้นมาภาพที่ปรากฏในมโนภาพก็จะถูกปิดลงไปเพราะว่าภาพที่ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีกําลังมากกว่ามันพอเราตื่นขึ้ น, นมาปั๊บก็เหมือนเราเปิดเปิดเครื่องคือร่างกายให้ไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาให้เราได้ดูได้ชมกัน แต่เวลาไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยมโนภาพที่เราได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่เราตื่นในขณะที่เราไปทำภารกิจต่างๆซึ่งมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี่แหละคือเวลาที่ร่างกายไม่มีเราก็จะฝันยาวเลยไม่ใช่ฝันเพียงห้าหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมง ฝันเป็นน้อยปีพันปีก็ได้แล้วแต่ว่ากำลังของบุญของบาปนี้เราทำไว้มากน้อยเท่าไหร่เพราะเราทำแทบทุกวันทำมาล้หลายหลายชั่วโมงด้วยกันทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็จะส่งผลให้เราได้เห็นภาพที่เป็นสุขเราก็เรียกว่าเป็นสวรรค์เห็นภาพเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ เราก็เรียกว่าอบายถ้าทุกข์ด้วยความหิวโหวยมีแต่เรื่องหิวโหวยให้ให้เห็นหดอยากขาดแคลนไปตกละกรรมลำบากขาดนู่นขาดนี่ครับเราก็เรียกว่าเป็นเปรตดวงวิญญาณของเปรตมันจะมีแต่เรื่องหิวโหวยให้ได้ได้สัมผัสถ้าเป็นดวงวิญญาณของอสุรกายก็จะมีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัว กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวภัยนั้นกลัวภาย น, น, ายนี้ต้องไปประสบพบกับภัยต่างๆถ้าเป็นนรกก็เป็นเรื่องของอาการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมล้างแค้นกันฟันต่อฟันตาต่อตาทาการสู้รบกันต่อสู้กันทาสงครามกันนี่จะเป็นภาพที่ปรากฏในช่วงที่ เราไม่มีร่างกายจนกาภาพเหล่านี้มันหมดกําลังที่จะผลิตออกมามันก็เป็นช่วงที่เราจะไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่เรารอรับร่างกายอันใหม่ช่วงนั้นบุญกับบาปในใจเรามันมีกําลังเท่าๆกันบุญก็ไม่สามารถส่งผลได้บาปก็ไม่สามารถส่งผลได้เพราะต่างฝ่ายต่างกันกันเอาไว้ ถ้าบุญมากกว่าบุญก็ส่งผลได้ในระดับที่มันมากกว่าพอมันลตลงมาในระดับเท่ากับบาปมันก็ส่งผลไม่ได้บาป ก, ก็เหมือนกันถ้าบาปมันมากกว่ามันก็ส่งผลได้แต่พอมันลดลงมาเท่าระดับบุญมันก็ส่งผลไม่ได้ช่วงนั้นเราก็จะไปรอรับร่างกายของมนุษย์พอเราได้ร่างกายมนุษย์เราก็เกิดมาตอนที่เราเออกมาจากท้องแม่ตอนนั้น จิตของเราอยู่ในระดับของมนุษย์คืออยู่ในระดับที่บุญกับบาปยังเท่ากันอยู่แต่พอเราเริ่มอยากได้นูน่นอยากได้นี่เราอาจจะทําบาปตั้งแต่ตอนเป็นเด็กโดยไม่รู้สึกตัวเห็นอะไรเราชอบเราก็ไปคว้า ม, มาละอาจจะไม่ได้เป็นของเราเป็นของคนอื่นแต่เราไม่สนใจเราไม่รู้เรารู้เพียงแต่ว่ามันใกล้มือเราเราหยิบได้เราก็เอามา ต่อมาถ้าพ่อแม่รู้ก็อาจจะต้องมาเตือนมาสอนเราว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ของไม่ใช่ของเราถ้าอยากได้ต้องไปขออนุญาต จ, จากเจ้าของเขาก่อนนี่คือเราเริ่มทำบาปกันตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพ่อแม่จึงต้องพยายามแก้ด้วยการพยายามสอนอย่าทำแล้วก็พยายามสอนให้ไปทำบุญแทนพาไปทำบุญพาไปใส่บาตร พาไปบริจาคข้าวของเงินทองต่างๆเพื่อให้เผืกให้เรามีนิสัยทำบุญกัน mm hmm. เพราะพ่อแม่เชื่อว่าบุญนี้มีคุณประโยชน์บาปนี้มีโทษกับจิตใจนี่แหละคือเรื่องราวของเราที่เราเป็นกันอยู่น่าจะเป็นกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเพราะความอยากที่เราอยากจะใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรานี่มันไม่หมดไปตามการกระทำตามความอยากมันกับเป็นเหมือนกับเป็น<ม>เครื่องหล่อเลี้ยงความอยากให้มันมีอายุต่อไปต่ออายุของความอยากไปเรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องไปเป็นดวงวิญญาณไปรับผลบุญผลบาปแล้วพอหมด แล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่มาเราก็ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปทำตามความอยากต่างๆแล้วพออยากแล้วไม่ได้โดยวิธีที่ไม่ทําบาปเราก็อาจจะไปทําบาปนี่คือเรื่องของตัวเราตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกาย อพราะฉะเราอย่าไปหลงอย่าไปรักร่างกายมากจนเกินไปให้รักมันเหมือนเรารักคนใช้ก็แล้วกันคนใช้เวลาเขารับใช้เราเราก็เลี้ยงดูเขาดีแต่พอเวลาเขาจะลาออกเราก็ไม่ว่าอะไรไม่อยากจะอยู่ก็ไปต้องเลี้ยงแบบนี้ร่างกายเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็จะขอลาออกจากงานพอเขาทําไม่ไหวแล้ว หมดแรงแล้วหมดลมแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปแต่เราปล่อยไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่มีเขาแล้วเราเดือดร้อนเราไม่มีทางหาความสุขได้ถ้าไม่มีเขาเราเลยต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายการรักษาร่างกายแต่เลี้ยงดูอย่างไรดีอย่างไรขนาดไหนรักษาให้ดีอย่างไรขนาดไหน มันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราก็จะไม่ต้องเราก็จะไม่พ้นความทุกเวลาเวลาที่ร่างกายไม่สามารถรับใช้เราได้แต่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธเจ้า เป็นผู้ส่งคนพบวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะทรงเห็นว่าการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นการพาดวงจิตดวงใจของเราไปทุกข์อยู่แบบไม่มีไม่มีวันจบวันสิน้นต้องเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยร่างกายนี้ตายไปก็ทุกข์กับมันตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายพอมันตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ก็ได้มาใช้มันหาความสุขช่วงแรกาก็หาความสุขจากมันได้แต่พอมันเข้าสู่วัยชราพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะตายนี่ก็เป็นช่วงที่มีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะหาความสุขแบบนี้ก็เลยได้ไปพบนักบวชเห็นนักบวชซึ่งเขาก็ รู้วิธีที่หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ช่วงที่พระพุทธเจ้าไปศึกษานั้นการหาความสุขแบบไม่ใช้ร่างกายก็เป็นยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดได้พอหมดแล้วเวลาร่างกายตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ เพืจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้พาไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือความสุขที่เกิดจากการทําจิตใจให้สงบนเองเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบเราก็ได้ความสุขอีกแบบนึงเป็นความสุขที่เราไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้นกายช่วงที่อยู่ในความสงบตอนนั้นเราไม่ต้องใช้ร่างกายแต่พอเราออกจาก ความสงบมาออกมากลับมาสู่ที่ร่างกายเหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนนอนหลับกับตอนนั่งสมาธินี้เหมือนกันไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าตอนที่นอนหลับไม่มีสติรับรู้แต่ตอนที่นั่งสมาธินี้มีสติรับรู้อยู่เหมือนกับตอนที่ที่ตื่นตลอดเวลาเวลาจิตสงบนี้เรารู้ เหมือนกับเวลาที่เราได้ยินเสียงแล้วเสียงหายไปเราจะรู้ว่าตอนนี้เสียงหายไปเกิดความเงียบขึ้นมายันได้เวลาเรานั่งสมาธิเสียงภายในก็คือความคิดของเรามันหายไปพอเสียงความคิดหายไปเราก็รู้ว่าอ๋อมันหายไปใจก็เงียบขึ้นมาใจก็สงบขึ้นมาแต่เวลานอนหลับเราจะไม่รู้เวลานอนหลับเราจะ ไม่รู้ว่าเราหลับและเวลาเราฝันเราก็ไม่รู้ว่าเราฝันเราคิดว่าเรากำลังอยู่ในโลกของความเป็นจริงจะมารู้อีกทีตอนที่เราเตื่นขึ้นมาเรามาเห็นว่าเอเมื่อกี้เราฝันไปแต่ตอนที่ฝันนี่ไม่รู้ว่าเราฝันเราคิดว่าเราเตืน่นเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริง แต่มารู้ก็ตอนที่เราตื่นแล้วถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นเองผ่านไปแล้วเวลานั่งสมาธินี้จะรู้ตั้งแต่เวลาจิตยังไม่สงบเวลานั่งเราพุโทโธพุโทโธนี่เรารู้ว่าเรากําลังพุโทโธอยู่เรากําลังสู้กับความคิดอยู่เราพุโทโธพุโทโธจิตมันก็พยายามจะดึงเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่แต่เราก็พยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย เดี๋ยวพอพุทธโธชนะความคิดยอมแพ้หยุดคิดปับ๊บจิตก็งเงียบขึ้นมาสงัดขึ้นมาสงบขึ้นมาทันทีเราก็หยุดพุทธโธแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขเ อ, เอกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายความละเอียดความสุ ข, ขุมความ เบาอกเบาใจนี่มันต่าง ก, กันกับความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายความสุขผ่านทางร่างกายบางทีกับทำให้เรามีความรู้สึกหนักอกหนักใจขึ้นมาก็ได้เพราะเราเริ่มกังวลกลัวทีว่ามันจะหมดพอได้อะไรมาเราก็อยากจะรักษาให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆความสุขที่ได้ก็เลยถูกความวิตกกังวลมา มาลังควานมามากลบแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะไม่มีความวิตกความกังวลความห่วงใยมันจะนิ่งสงบมันจะเบาจะสบายอันนี้แหละเป็นความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงสรงไปศึกษาไปหาซึ่งตอนต้นก็ได้เพียงในช่วงที่อยู่ในสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมาเพราะยังมีภารกิจที่ต้องดูแลร่างกายดูแลสิ่งต่างๆต้องมา อ, อาบน้ำนังหน้าแปรงฟันต้องมาเข้าห้องน้ำต้องมารับประทานอาหารต้องมาทำความสะอาดสถานที่พักซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิ พ อ, พอไม่ได้ใช้สติคอยควบคุมความคิดความคิดมันก็เลยคิดไปตามภาษาของมันตามที่มันเคยคิดมันก็จะมักคิดไปในทางความอยากอยากได้นั่นอยากมีนี่พอคิดแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครรู้วิธีว่าทําอย่างไรที่จะทําให้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วไม่ทุกข์ถึงแม้เวลาจะคิด ก็ไม่ทุกกับความคิดนะพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเจนัยที่สุดก็ส่งค้นพบว่าความคิดที่ทำให้มันใจไม่สบายนี้เกิดจากความคิดไปตามความอยากสามชนิดนะถ้าคิดไปในความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วมันคิดแบบนี้มันจะทำให้ไม่สบายใจได้ พอเวลาอยากได้อะไรแล้วใจมันก็เริ่มกระวนกระวายกระสับกระสายแล้วพอได้มามันก็จะดีใจเดี๋ยวเดียวพอเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็จะต้องไปหาใหม่เวลาหาไม่ได้ก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมาถ้าหยุดความอยากนี้ได้หยุดคิดถึงความอยากเหล่า น, นี้ได้ใจก็จะไม่เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา พระองค์ก็เลยส่งคนพบเนี่ยความความอยากสามชนิดที่ไม่ควรคิดถึงก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นขอให้พอใจกับสถานภาพของเราเรามีอะไรเป็นอะไรก็ขอให้พอใจ แล้วก็อย่าไปอยากให้ไม่มีไม่เป็นเวลามันเกิดขึ้นมาเช่นเวลามันไม่สบายเวลามันแก่เวลาจะตายก็อย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะความอยากนี้จะทำให้ใจทุกข์ใจไม่สบายนั่นเองแล้ววิธีที่จะทำให้หยุดความคิดหยุดความอยากเหล่านี้ได้อย่างไรก็ต้องสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้ ที่มันจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขแบบเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาหารอนโอชะแต่มันก็มีตะขอเบ็ดคอยเกี่ยวปากอยู่ถ้าไปตะคุบเหยื่อไปฮุบเหยื่อก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก ทำให้ถูกลากขึ้นไปจากน้ำเข้าไปสูบหม่อกแกงต่อไปต้องไปเจอความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราอยากเสพอยากสัมผัสนี้มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเราก็จะไม่กล้าไปเสพมันตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความสุขจากมันแต่เราก็ไม่มีความทุกข์จากมัน เรามีความสุขจากความสงบเราก็ทำใจของเราให้สงบดีกว่าหยุดความอยากคิดที่จะไปหาความสุขอยากความสงบพอมันอยากเราก็ใช้สติหยุดมันเช่นพุโทโธพุธโทโธพอจะพุโทโธสักระยะหนึ่งมันก็หยุดความคิดที่ไปได้แต่เราต้องรู้ว่าทำไมเราหยุดความคิดเหล่านี้เราต้องรู้ว่ามันเป็นความคิดที่จะพาเราไปหาความทุกข์เนี่ย แต่ถ้าเราหยุดโดยที่เราไม่รู้มันก็ยังจะกลับมากวนใจเราได้อยู่แต่พอเรารู้ว่าที่เราต้องหยุดความคิดอันนี้เพราะมันจะพาเราไปหาความทุกข์ต่อไปความทุกข์ความคิดเหล่านี้มันมาเราจะไม่ตามมันเราจะไม่ทําตามมันนะพอเราไม่ไปทําตามมันต่อไปมันก็จะไม่มาชวนเราเนี่คือวิธีที่จะทําให้เราออ่อ ไม่มีความทุกข์เวลาที่เราออกจากสมาธิคือเราต้องสอนใจให้อย่าไปคิดในทางที่จะพาให้เราทุกเนี่ยคือคิดไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆคิดไปเป็นนั่นเป็นนี่ี่คิดไปไม่เป็นนั่นเป็นนี่นี่ให้ยินดีตามมีตามเกิดตอนนี้เป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปแต่อย่าไปอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็น และอย่าไปอยากให้สิ่งที่เราเป็นมันหายไปมันเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไปแล้วอยู่ได้ใจของเราไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของเราเองเกิดจากความอยากสามประการนี้เท่านั้นอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีความสุขจากการเป็นนั่นเป็นนี่ อยากมีความสุขจากการไม่เป็นนั่นเป็นนี่แต่สิ่งเหล่านี้บางทีเราก็ไปสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เช่นอยากจะเป็นนายกก็เป็นได้คนเดียวถ้าเกิดคนน้อยคนมาอยากเป็นก็เป็นได้คนเดียวอีกเก้าสิบเก้าคนก็ต้องทุกกันไปคนที่เป็นก็ทุกข์เพราะว่าต้องคอยกังวลกับว่าจะถูกใครมาแย่งไปอีก สรุมันก็ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทั้งคนที่ได้และคนที่ไม่ได้ฉะนั้นเราไปอยากได้ทําไมซื้ออยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเลยใบแกว่งเท้าไปหาเซียนทําไมเท้าเราอยู่ตรงนี้สบายอยู่เฉยๆปลอดภัยพอไปแขวงเท้าไปเดี๋ยวก็ไปเจอเซียนเข้าก็เจ็บเท้าขึ้นมาเนี่ยความอยากของเรามันจะพาเราไปหาความทุกข์กันความอยากสามชนิดนี้ ความอยากอย่างอื่นไม่เป็นปัญหาเช่นความอยากที่จะหยุดความอยากนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์ความอยากที่จะทำใจให้สงบด้วยสตินี่เป็นประโยชน์ความอยากที่จะใช้ความคิดไปในทางปัญญานี่เป็นประโยชน์นะเพราะเราต้องใช้ความคิดในทางปัญญาถึงจะทำให้เราหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราต้องคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอมันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์มันทุกข์เพราะว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนาตาัตตาต้องพิจารณาว่ามันเป็นไยรักไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิก่นรสไม่ว่าจะเป็นสถานภาพอะไรต่างๆยศตําแหน่งอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้บางบางเวลาสั่งได้ แต่บางเวลาก็สั่งไม่ได้พอเจอไปช่วงเวลาที่สั่งไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญนี้มันล้วนจะทำให้เราต้องเจอกับความทุกข์ต่อไป เพราะมันไม่เที่ยงมันมีวันเสื่อมมันมีวันหมดมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีมาแล้วก็ต้องมีไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันอย่าไปอยากมีมันแต่ถ้ามันมาเองมันไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันอยู่ดีๆคนชอบเราเอาเงินมาให้ใช้เราก็รับไว้ได้ แต่เราเระวังไว้อย่าไปรับดลติดเหมือนปลาติดเบ็ดก็กแล้วกันรับไว้แล้วต้องบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ต้องพร้อมที่จะให้มันหมดไปได้ถ้าทางที่ดีถ้าไม่ต้องใช้ก็เอาไปทำบุญดีกว่าจะได้หมดปัญหาไปถ้าเราเอาไปใช้ตามความอยากปั๊บนี่มันเหมือนไปติดเบ็ดละถึงพอเอาเงินไปใช้ตามความอยากอยากเที่ยวไปเที่ยวแล้ว ตอนต้นไม่มีเงินเที่ยวพออยู่ดีๆมีคนเอาเงินมาให้ไปเที่ยวพอคิดว่าเอาเงินนี้ไปเที่ยวในไปล้วเดี๋ยวข่าวหน้าไม่มีเงินเที่ยวก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญไม่เดือดร้อนข่าวหน้าไม่มีเงินทําบุญก็ไม่เป็นปัญหาเลย ถ้าเราไม่มีความจําเป็นจะใช้เงินก็เอาไปทำบุญดีกว่าแต่ถ้าใช้กับสิ่งจําเป็นก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันเช่นถ้าเราไม่มีข้าวกินเราไปซื้อข้าวมากินก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ก็ได้แต่อย่าซื้ออย่าใช้เงินตามความอยากพอใช้ตามความอยากมันก็กลับไปรอบเดิมกลับไปหาความอยากในกามนั่นเองในรูปเสียงกลิ่นรัด แ้พอเวลามันไม่ได้เวลามันไม่มีเวลามันหมดก็มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้เราต้องใช้ความคิดแบบนี้เขาเรียกว่าปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิ<ม>การเห็นตาลักนี่เรียกว่าเป็นการเห็นความจริงเป็นเป็นความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอันนี้อย่างเั่นั้น สังขารคือสิ่งต่างๆที่เกิดจากการปรุงแต่งของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเหมือมันเป็นสมมุติมันเป็ น, smooth, ม, น, ปนมันเป็นสังขารมันต้องเสื่อมมันมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกสลายออกไปร่างกายเรามารวมตัวด้วยธาตุสี่เดี๋ยวถึงเวลาธาตุสี่มันก็ขอแยกทางกันไป ธาตุสี่มันชอบทะเลาะ ก, กันมันไม่ชอบอยู่ร่วมกันเวลาธาตุแปรป่วนร่างกายเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแต่เวลายุคที่มันมารวมกันใหม่ๆนี่กำลังที่ดึงมามารวมกันนี่มันแรงกว่ากําลังที่จะแยกกันมันได้ทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่แต่พอกําลังที่ดึงธาตุสี่มารวมกันมันอ่อนลงมันน้อยกว่ากําลังที่อยากจะแยกตัวออกจากกัน ตอ น, นั้นร่างกายเริ่มแปรปวนนะเริ่มแสดงอาการแก่ลงไปแล้วเริ่มแสดงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆออกมาแล้วเพราะธาตุสีมันอยากจะกลับไปอยู่กับพวกมันธาตุดินก็อยากจะกลับไปอยู่กับดินธาตุน้ำก็อยากจะกลับไปอยู่กับน้ำธาตุาาลมธาตุไฟก็อยากจะแยกกันไปแต่บางทีมันก็ถูกบังคับให้มารวมกันเช่นพ่อแม่บังคับามาให้มารวมกัน มันก็เลยต้องรวมตามอำนาจของพ่อแม่ที่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาแต่พอถึงขีดหนึ่งพอร่างกายมันเจริญเติบโตเต็มที่กําลังที่จะให้มันรวมกันมันหมดนะกําลังที่จะให้มันแยกกันมันแรงกว่าถ้าถ้ากําลังที่รวมกันไม่มีวันหมดนี่เราคงจะอยู่กันไปไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีกันนะ แต่มันกำลังที่มันจะแยกมันในที่สุดมันชนะกำลังที่มารวมกันมันก็เลยทำให้ร่างกายเราเสื่อมทำให้ร่างกายเราแก่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็หยุดทำงานพอหยุดทำงานทีนี้ธาตุทั้งสี่มันก็แยกทางกันไปได้อย่างเต็มที่เลยธาตุแรกไปก่อนก็คือลมมันไปแล้วบายบายทิ้งธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟไว้ละ ธาตุที่สองที่ตามไปก็ธาตุไฟร่างกายก็เริ่มเย็นนะเคยมีอะ่ะความรู้สึกร้อนอบอุ่นในร่างกายพอร่างกายหยุดทำงานพอธาตุดมไปแล้วธาตุไฟก็ตามไปถ้าทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวธาตุน้ำก็ไหลออกมาตามทวารต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็ออกมาในลักษณะอาการบวมชาม้าเน่าเห็นไดังนั้นเป็นช่วงที่ธาตุนะเหลือแต่ธ า, าตุน้ากับธาตุดิน ที่กำลังจะแยกตัวออกจากกันทิ้งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวร่างกายก็แห้งกรอบเพราะธาตุน้ำออกไปหมดนวก็เหลือแต่ธาตุดินที่เป็นกระดูกแข็งๆทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็ผุพังกลายเป็นดินไป น, นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างในโลกนี้เอาเอาร่างกายมาเป็นตัวอย่างสิ่งอย่างอื่นก็เหมือนกันต้นไม้ บ้านช่องนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของธาตุเหมือนกันเห็นไหมบ้านเราสร้างใหม่ๆมันก็สวยงามพออยู่ไปสิบยี 20, ่สิบสามสิบปีมันก็เริ่มชำรุดทรุดโทมและเดี๋ยวเริ่มรั่วละหลังคารั่วเดี๋ยวไอ้นั่นก็เบื้องแตกแล้ะปูนที่ก็ท้อหลุดออกและเนี่ยมันมันมันอยากจะแยกตัวออกจากกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เวลาได้มาใหม่ๆนี่มันสมบูรณ์รถยนต์นี้เวลาซื้อมาใหม่ๆสมบูรณ์ใช้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการไม่มีปัญหาแต่พอใช้ไปสักปีสองปีอันนั้นก็เริ่มเสียอันนี้ก็เริ่มเสียแล้วเอนี่ยเพราะมันอยากจะแยกออกจากกันมันถูกวังกลับให้มารวมกันแต่ใจจริงมันไม่อยากจะอยู่ร่วมกันมันอยากจะกลับไปอยู่กับพวกของมัน มันก็จะมีการแยกตัวมีการทำให้สิ่งที่มารวมตัวกันนี้บุบสลายไปเราเรียกว่าอนิจจังสัพเพสังขาราอนิจจ์เนี่ยของปรุงแต่งด้วยธาตุสี่ดินน้ำนมไฟนี้ในที่สุดมันก็จะต้องมีการแยกตัวกันไปเวลาแยากตัวมันก็ทำให้เราไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากให้มันแยกเราอยากจะให้มันรวมตัวกัน ซื้อสินค้ามาแล้วมันดีตั้งแต่วันซื้อมาจนัึงสิบปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นี่ก็จะดีนะไม่ต้องมีใบรับประกันนะแต่มันเป็นไปไม่ได้รับประกันไงก็ประกันไม่ได้ประกันมันก็เพียงแต่ประกันเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราถ้าชิ้นนี้เสียเครื่องนี้เสียคันนี้เสียก็เปลี่ยนคันใหม่ให้เท่านั้นเองแต่จะไปประกันให้มันไม่เสียไม่ได้ประกันให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ ถ้าเราหวังให้มันไม่เสื่อมไม่เสียมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลาที่มันเสื่อมมันเสียเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติมันเป็นดินน้ำลมไฟที่จะคอยแยกตัวออกจากกันเสมอมันอยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมไปอยู่กับพวกของมันธาตุดินก็อยากจะกลับไปหาธาตุดินธาตุน้าก็ไปหาธาตุน้าธาตุลมก็ไปหาธาตุลมธาตุไฟก็ไปหาธาตุไฟนี่คือสัมมาทิฏฐิ ให้เราเห็นว่าโลกที่เราอยู่นี้ท่านเรียกว่าโลกธาตุเนี่ยเพราะมันทำมาจากธาตุทั้งนั้น่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วธาตุหลายอย่างรวมกันร่างกายเราก็มีธาตุทั้งสี่รวมกันแล้วก็ต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าก็มีธาตุทั้งสี่แต่ถ้าเป็นก้อนหินนี่ก็มีธาตุเดียวมมีธาตุดินธาตุเดียวพื้นดินที่เราเหยียบมันก็เป็นธาตุดินธาตุเดียว แม่น้ำำาําลําธารน้ําในมหาสมุทรมันก็เป็นธาตุน้ําธาตุเดียวอากาศที่เราหายใจลมที่พัดนี่มันก็เป็นธาตุลมใช่ไหมแต่บางทีมันก็มารวมกันด้วยเหตุการณ์ของของธรรมชาติบางทีมันมาพบปะกันโดยบังเอิญเช่นน้ําฝนน้ําที่อยู่ในมหาสมุทรก็ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะถูกธาตุไฟมันเผาให้มันร้อนขึ้นมามันก็เลยระเหย พอระเหอยแล้วมันเกาะตัวเป็นแล้วมันก็ถูกลมพัดมาอยู่เหนือแผ่นดินพอมันมาตกน้ําฝนมาตกบนแผ่นดินเข้าไออพอน้ํามาเจอกับดินเข้าเดี๋ยวก็เกิดต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาแต่มันเกิดมาล้เดี๋ยวพน้ําแห้งไปปั๊บต้นไม้ใบหญ้าก็ตายาไป มันก็เป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมชาติมันไหลเวียนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทุกสิ่งทุกอย่างท่านจงบอกเป็นสัพเพธรรมานุตตาเนี่มันเป็นธรรมชาติมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามีตัวเดียวที่เป็นเราของเราก็คือใจนี่แหละที่เราสามารถที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราไม่ต้องรักษามันก็อยู่กับเรา เรากำมันมาด้วยกันตลอดเวลาไปไหนไปด้วยกันเปยงแต่ว่าไปดีแล้วไปไม่ดีเท่านั้นส่วนใหญ่ตอนนี้พวกเราไปไม่ดีกันเพราะเราไม่รู้จักทางดีไปว่าไปอย่างไรเราเลยต้องม า, มารอคนที่ฉลาดที่มาค้นพบทางที่ทีจะพาให้ใจของเราไปทางที่ดีไปทางที่มีแต่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คือพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้ทางที่พาให้จิตใจของเราไปสู่ความสุขที่ไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความสุขของพระนิพพานนี่พระนิพพานนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดพอสองคนพบทางแล้วก็เอามาสอนพวกเรา พวกเราถ้ามาเกิดในยุคที่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เช่นตอนนี้ถือว่าเราโชคดีเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดกันยากยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพวกเราคงไม่มีใครฝันอยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันใช่ไหมแต่พวกเราได้มาเจอลอตเตอรี่สิ่งที่ดีกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ก็คือมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาสอนที่จะมาบอกทางให้พวกเราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด อ, อยู่กับร่างกายนี้ดยการสอนเราวิธีให้เราปฏิบัติให้เราทำกันให้เราเปลี่ยนทางเดินกันตอนนี้เราเดินไปหาลาบยศสรรเสริญเบิ่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสกัน เราต้องหยุดแล้วเพราะว่าทางนี้พาเราไปสู่ความทุกข์อย่าไม่มีวันสิ้นสุดแต่เราอยากจะไปพบกับความสุขที่ไม่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไปในทางที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบนะก็คือทางแห่งทานศีลภาวนานี่เราต้องเริ่มมาเปลี่ยนวิธีใช้เงินละแทนที่จะไปใช้เงินะ เพื่อหาลาบยศเสริเสริญหารูปเสียงกิเลดก็เอาเงินมาทำบุญทำทานแทนนะแล้วเราก็มาหัดรักษาศีลกันรักษาศีลห้าก่อนแล้วก็รักษาศีลแปดนะพอรักษาศีลแปดได้เราก็จะไปภาวนาได้เพราะเราจะมีเวลาถ้าเรายังไม่รักษาศีลแปดและยังไปเที่ยวที่นู่นไปทํานู่นทํานี่ได้อยู่เพราะศีลห้ามไม่ได้ห้ามแต่พอเราจะ ภาวนาเราต้องหาเวลาเราก็ต้องห้ามใจเราให้หยุดกิจกรรมทางร่างกายหยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วลมาหัดหาความสุขทางใจโดยการมาหัดภาวนาภาวนาก็มีสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาความสุขแบบชั่วคราวระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาความสุขแบบถาวร ต้องได้ความสุขแบบชั่วคราวก่อนแล้วก็มารักษามาเปลี่ยนความสุขแบบชั่วคราวให้เป็นความสุขแบบถาวรเราก็เลยเนี่ยต้องมาทำบุญทำทานกันรักษาศีลกันหัดทาไปจากน้อยไปหามากถ้ายัางรักษาศีน้าไม่ได้ก็เอาศีน้าให้ได้ก่อนในศีน้าแล้วก็ลองมาหัดรักษาศีลแปดอาทิตย์ละวันก่อนก็ได้ วันไหนสะดวกวันไหนที่ไม่ต้องไปทำงานไม่มีปัญหาเรื่องการรักษาศีลแปดก็รักษาวันนั้นไปแล้วพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็สามารถไปภาวนาควบคู่กันได้เบื้องต้นก็ไปหาทำใจให้สงบก่อนศึกษาว่าทำยังไงใจให้สงบใจจะสงบก็ต้องหยุดคิดจะหยุดคิดก็ต้องมีสติจะมีสติก็ต้องมีกรรมฐานสร้างสติขึ้นมา กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ปุงแต่งใจนั่นเองแทนที่จะคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงที่นั่นที่นี่ที่เที่ยวให้มาคิดกับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคิดกับคำคาชื่อของพระพุทธเจ้าก็คิดพุทโธพุทโธไปถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจเราก็จะไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวไม่ได้ไปคิดถึงแฟนคิดถึงขนมนมเนยไม่ได้ มันก็จะระ ง, งับความคิดได้พอรเรานั่งสมาธิจิตมันก็จะหยุดคิดแล้วมันก็จะสงบแล้วมันก็จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากการใช้สตินี้ดีกว่าความสุขที่เราใช้ใช้ร่างกายเพราะสตินี้ไม่มีวันหมดพอเรามีสติแล้วสามารถใช้มันไปได้ตลอดถ้ามีร่างกายเดี๋ยวมันต้องมีวันเสื่อมมีวันหมด แล้วก็สิ่งที่หามาก็ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แต่ถ้ามีสติแล้วทุกครั้งที่ต้องการจะให้ใจสงบทุกครั้งที่จะมีความสุขจากความสงบนี้สามารถทำได้ตลอดเวลาแต่มันก็เป็นความสงบชั่วคราวเพราะเวลาออกจะเวลาที่เราไม่มีสติปล่อยสติไม่ขยันทาสติจิตมันก็จะถูกความอยากผลักดันออกมาให้มาหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ตอนนั้นเราก็ต้องใช้วิปัสสนามาสอนว่าความสุขทั้งตาหูจมูกนิ้วกายนี้เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานีพอมีปัญญามันก็จะหยุดอยากแล้วก็กลับมาอยู่กับสติแทนมาพุโทโธพุโทโธมาหยุดความคิดที่จะไปคิดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอมีสติ จิตก็สงบเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพียงแต่พอหยุดความอยากได้จิตก็หายทุกข์หายวุ่นวายจิตก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีความสุขจากอะไรเพราะมีความสุขจากความสงบจากอุเบกขาใจเป็นกลางไม่หิวไม่อยากไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่เป็นวิธีหาค ว, ความสุขความสงบแบบถาวร บื้องต้นต้องเอาสติก่อนให้จิตสงบหยุดความคิดพอต่อมาพอออกจากออกจากสมาธิมามันจะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็สอนมันว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสอนมันแล้วพอมันรู้เป็นทุกข์มันก็ไม่เอาละพอมันไม่เอาจิตก็สงบเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ น, นี่คือเรื่องของเราชีวิตของพวกเราความเป็น ของพวกเราอันี้เป็นอย่างนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ย้ายจากร่างกายหนึ่งไปสู่ร่างกายหนึ่งย้ายจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งไปเรื่อยๆตามความอยากของเราจนกว่าเราจะมาพบพระพุทธศาสนามาพบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนวิธีเปลี่ยนวิธีหาความสุขให้กับเราให้เราเลิกหาความสุขจากราบยศสรเสริญ แล้วให้เรามาหาความสุขจากการทำทานรักษาศีลภาวนากันเพราะจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่บริสุทธิ์ที่จะทำให้เรายุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 โสยะธาสัพิตโยวิวาชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโอสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทนาสีริษานิจังวุทาปจายโนจตรารโธรรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกเล่าขอขออนุญาตงดถามงดตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ออวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทาง Facebook 340 YouTube 249วิทีออนไลน์21 แล้วฟังบนเขาหนึ่งร้อยสามรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสิบสามท่านคะ่ะอสาธุครัมีใครอยากจะถามก็เชิญถามได้กราบเรียนถามเจ้าค่ะเลี้ยงสุนัขไว้แก่มากแล้วแล้วเขาเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์นี่จะกราบลกบวนเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเพราะเขาทรมานมากก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเราเอาไปให้ สตัตวแพทย์ฉีดยาได้ไหมเจ้าข้าบาปไหเจ้าคะ่ะบา ป, เ, าบาปเราไปรู้ไงว่าเขาทรมานเอถึงแม้เขาจะทรมานเขาอาจจะยังอยากจะอยู่แบบนั้นอยู่ก็ได้ต้องปล่อยให้เขาไปโดยธรรมชาติจมูกคะ่ะดูแลเขาให้ดีที่สุดเลี้ยงเขาให้ดีให้อยู่ให้ยารักษาอะไรไปให้อาหาร้ี่อะไรเขาไปาาให้ความเมตตาด้วยกันอย่าไปให้ความโหดร้ายซึ่งเราเข้าใจผิดชื่อว่าเป็นความเมตตาเขาเรียกว่า การุญยาฆาตเนี่ยถ้าเคยทาไปแล้วตัวหนึ่งโดยที่ใจคิดไปทางแรกอเจ้าเค้าว่าสงสารเขาเลยไปเ อ, อก็บาปนะแต่ก็ก็เป็นเราไปลบล้างไม่ได้แต่พอเรารู้แล้วต่อไปเราก็อย่าทํากันแล้วกันะบาปมันก็สะสมไปในบัญชีบาปไปบุญเราก็ทําไปช่วยเราทําบุญเลี้ยงเ้าดีกว่าแล้วสามารถที่จะไปต้านบาปที่เราทําไม่ได้ พอต่อไปมีม้าตัวไหนก็อย่าไปฆ่าเขาพยายามเลี้ยงดูเขาบางทีเราใจเราไม่สบายเองเห็นเขาไม่สบายเราก็เลยไม่สบายเราก็เลยอยากจะทําให้ใจเราสบายด้วยการฆ่าเขาใช่ไหมพอเขาตายแล้วเราไม่เห็นเขาแล้วเราก็สบายใจแะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่สบายใจให้เมตความเมตตาเขาดีกว่าเลี้ยงเขาไปดีกว่าช่วยเขาดีกว่าะ ถึงแม้เขาขอร้องจะฆ่าตัวให้เราฆ่าเราก็ไม่ฆ่าเขาเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาเขาขอร้องฆ่าเขาก็ทำบาปเีกเขาฆ่าตัวเขาเองเขาก็บาปออกมันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเราเวลาที่เราตายไปอยางน้อย่าอย่าไปทำบาปไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลกลไกใดทั้งสิ้นทำบุญดีกว่าเลี้ยงเขาช่วยเขาไปสุดความสามารถ เราก็ทำใจเป็นอุเบกขาเขาแล้วกันถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะไม่เดือดร้อนส่วนใหญ่เราไม่มีอกขาเรารักเราชังเพราะเราเห็นสิ่งที่เรารักทรมานเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องบอกนี่เป็นเรื่องปกติของชีวิตทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแความเจ็บของทางร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บทางใจ ความเจ็บทางใจเกิดจากความอยากให้มันตายเร็วๆให้มันพ้นจากความทรมานมันเลยทำให้เราทุกข์ทางใจแต่ถ้าเราบอกว่าเราช่วยเขาดีกว่าให้ความสุขกับเขาดีกว่าเราก็จะมีความสุขอาจารย์คำถามฝักถามค่ะถ้าพ่อเราอยู่บนสวรรค์แล้วเราอุทิศบุญ ทำบุญให้พ่อทุกวันพ่อจะได้รับบุญอุทิตเพิ่มไปทุกทุกวันไหมคะถ้าไม่ได้บุญที่เราอุทิตจะไปไหนจะสูญเปล่าไหมคะพ่อหนูไม่ได้อุทิตให้ใครนอกจากพ่อคนเดียวค่ะออถ้าพ่อไปสถ้าอยู่ในสวรรค์ท่านก็ไม่ต้องรับรับบุญของเราเพราะท่านมีบุญมากถึงทำให้ท่านไปสวรรค์แต่ถ้าท่านเป็นขอทานคือเป็นเปรตเนี่ย ตนต้องอาศัยบุญของคนอื่นถ้าเราอุทิศเราก็ทำเป็นหลายหลายชื่อตอนต้นก็ลำดับที่หนึ่งขออุทิศให้กับคุณพ่อถ้าคุณพ่อไม่ต้องการก็ขอให้สับประศาทั้งหลายก็ได้ ส, สับระศาที่ยังรอรับบุญอยู่เพราะมีคนหลายค น, คนที่ตายไปแล้วไม่มีญาติพี่น้องส่งบุญไปให้เพราะญาติพี่น้องไม่เชื่อบุญไม่ไม่ทำบุญก็ต้องอาศัยเตาคนที่ใจบุญนี่แหละช่วย แบ่งบุญที่เราส่งไปให้กับญาติพี่น้องของเราถ้าเผื่อญาติพี่น้องของเราเ้ามีบุญพอแล้วก็ให้ผู้ที่ไม่มีบุญนี้มารับเอาไปก็รับกันแล้วก็อุทิศแบบว่าขออุทิศให้บิดามารดาที่ร่วงรับไปแล้วถ้าท่านไม่ต้องการก็ขออุทิศให้กับสัพพสัตทั้งปวงที่กำลังรอรับอยู่นี่คำถามฝากถามค่ะข้อแรก การเจริญสติภาวนาสำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นและปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งนะเราต้องฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นเพาลืมตาขึ้นมาคอยคุมความคิดเลยคอยหยุดความคิดที่ไม่จําเป็นใช้พุโทโธหยุดมันก็ได้หรือใช้การบังคับให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ให้ไปทําอะไรกับร่างกายพร้อมๆกันมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็ก็หยุดก็หยุดก็ปล่อยให้มันคิดได้แต่ให้มันคิดเรื่องจําเป็นเท่านั้นแล้วพอไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดแล้วถ้าคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดดา่าคนนั้นว่าคนนี้ก็หยุดมันดีกว่าใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วใช้บังคับให้มันอยู่กับการทํางานของร่างกายร่างกายกําลังทําอะไรก็ทํากับมันไป อย่างนี้เราก็จะมีสติคอยควบคุมความคิดในเบื้องตน้นพอเวลาเรามานั่งเราก็ใช้สตินี้มาหยุดความคิดได้ถ้ามาเรามาฝึกสติตอนที่เรามานั่งไม่มีวันหรอเหมือนเราอยากจะจอดรถตรงนี้เราเหยียบเบรกตรงนี้มันไม่จอดตรงนี้หรอกมันไปนูน่นถ้าอยากจะให้มันจอดตรงนี้เราต้องมาเหยียบเบรกตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาถึงจุดนี้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้จิตสงบตอนที่เรานั่งสมาธิเราต้องเหยียบเบรกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มานั่งสมาธิต้องใช้สติหยุดความคิดให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วพอเวลานั่งมันก็จะหยุดตรงที่เรานั่งได้ห้านาทีก็สงบได้นี่นั่งไปแล้วสิบยี่สิบสามสิบนาทีก็ยังฟุ้งอยู่ยังคิดอยู่นั่นก็เพราะว่าเราเพิ่งมาใช้สติตอนนี้มันไม่ทานการ งั้นวิธีที่ถูกต้องต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่เราจะมานั่งแล้วพอนั่งแล้วมันจะสงบได้ง่ายได้นานคำถามที่สองค่ะพื้นที่เมืองพัทยาไม่เอื้อต่อผู้ปฏิบัติธรรมด้วยปัจจัยทั้งปวงควรมีหลักคิดและปฏิบัติใดได้บ้างครับ เ, ออเราก็จัดพื้นที่หาที่ห้องหรือบ้านห้องที่เราสามารถ ปิดกัน้นการรับรู้สิ่งเหตุการณ์ภายนอกได้ถ้าสมมติว่าเรามีเงินไปเช่าคอนโดอยู่นี่ก็อยู่ในคอนโดขังตัวเองในคอนโดนั่นมีอาหารก็ซื้อมา ส, ส, สต็อกไว้ซื้ออาหารที่เราไม่ต้องหุงก็ได้อาหารสำเร็จรูปเพียงแต่แช่ตู้เย็นไว้มีเตาไมโครเวฟ พ, พอถึงเวลาก็ทำกินเอง แล้วก็ไม่ต้องออกไปรับรู้เรื่องราวของใครอยู่คนเดียวก็ทำได้ในระดับหนึ่งเราก็เคยเราก็อยู่ในเมืองพัทยามาเราก็ทำอย่างนี้สมัยก่อนเราก็มีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งเราก็อยู่ของเราคนเดียวในห้องแถวนะแต่ยังต้องออกมากินข้างนอกอยู่ก็กินมื้อเดียวก็ออกมาหันเดียวกินก๋วยเตี๋ยวชามข้าวผัดชามก็อิ่มแ ล, แล้วก็กลับไปอยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะ หวาดบ้านถูบ้านอะไรไปอยู่คนเดียวไปก็สามารถทําได้เรามีพอจะเลือกได้หรอถ้าเรารู้จักรู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจเราไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ป่าในเบื้องต้นหรออยู่ก็อยู่ไม่ได้ไปเดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็อะไรไปหมดยั้นทําในที่ที่เราทําได้ก่อนปรับปรุงที่เราอยู่ให้มันเป็นที่ให้เรา ปีกวิเวกได้อยู่คนเดียวได้ถ้าอยู่กันหลายคนถ้ามีห้องของกายห้องของมันก็ทําห้องเราเป็นที่ปฏิบัติไปขอปิดติดป้ายว่าตอนนี้ห้ามรบกวนกําลังไปวัดอยู่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็นั่งสมาธิของเราไปถ้าเสียงดังก็เอาอะไรมาอุดหูไว้จะได้ไม่ได้ยินเสียงก็ต้องทําตามที่เราทําได้ไปก่อนทํา จนกว่าเราจะมีเวลามีโอกาสที่จะไปอยู่ที่มันสงบห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองยะพัทยาเราก็ค่อยไปต่อคำถามฝา <c oughs> กถามค่ะ <c oughs> ข้อแรกถ้าหากว่าสามีของเราป่วยยังไม่สามารถไปทำบุญด้วยตัวเองได้เราสามารถซื้อของมาให้แล้วให้เขาจับสิ่งของอธิษฐานไปกับสิ่งของแล้วเราก็ไปถวายพระแทนแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะ ต้องเกิดจากความต้องการของเขาเขาต้องเป็นคนคิดเองว่าว่าอยากจะทำบุญช่วยเอาเงินของเรานี้ไปซื้อของมาให้เราหน่อย แล้วพอไปซื้อแล้วจะมาจับไม่จับไม่สำคัญแล้วล่อขอให้ได้เสียสละให้มีเจตนาต้องการที่จะเสียสละเงินทองของตนเพื่อเป็นประโยชน์สู่แก่ผู้อื่นเท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดจากความคิดของเราแล้วเราเพียงแต่ไปซื้อของมาแล้วให้เขาแตะนี่ก็ไม่รู้เรื่องเก็ไม่ได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากการกระทาของเราต้องเกิดจากตัวเขาเองเขาต้องมีการเสียสละแบ่งปันเขาถึงจะได้บุญ ไม่ต้องไปแตะของก็ได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้เพียงแต่ขอให้ฟ้ากระเป๋าเท่านั้นะคำถามข้อที่สองค่ะถ้าเราไปทำบุญเองค่ะแล้วอุทิศบุญให้กับสามีของเราที่ป่วยแบบนี้แล้วเขาก็จะได้รับบุญเหมเจ้าค่ะคือบุญอุทิศนี่มันเป็นเหมือนนา้เนาเศษน้ำที่ติดอยู่ในแก้วน่ะ ไม่ใช่เป็นน้ําที่เต็มแก้วเ อ, อเวลาเราเทน้ําออกแล้วมันยังมีเศษน้ําติดอยู่นั่นแหละคือบุญอุทิศเป็นอย่างนั้นก็ทําให้ได้เฉพาะพวกที่ตายไปเท่านั้นเพราะเขาไม่มีทางอื่นที่จะได้รับบุญอย่างน้อยก็ได้เลียสักลิ้นสองลิ้นก็ยังดีได้รู้สึกมีความเอเย็นฉ่าบ้างเท่านั้นเองนี่คือบุญอาทิตย์สําหรับคนมีชีวิตอยู่กินน้ําดื่มน้ําเต็มแก้วแล้วดื่มน้ําในแก้วดีกว่า ทำบุญเองดีกว่าทำบุญเองก็เหมือนกับเติมน้ำเต็มก้าวมีเครื่องไหนว่ามันร้องแกล้งมัม้คำถามจากคุณจินค่ะจากเทศนาธรรมเรื่องธาตุสี่ส่วนจิตสังขารซึ่งเป็นนามธาตุที่ห้าเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดบ้างหรือขอรับอ้าจิตมันก็เปลี่ยนไปตามมันเป็นเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์ในจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เ ด, ดี๋ยวก็หงรธเหยียดนำการใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าเดี๋ยวก็สงบอันนี้เกิการเปลี่ยนแปลงของจิตแต่เราสามารถทำให้มันไม่เปลี่ยนได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราสามารถทำให้มันปราศจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้โดยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาส ม, มถะภาวนาเชิญมีคำถามเชิญถามได้ กรรมนรมาสการครั บ, รรบอยากสอบถามว่าบางวันนั่งแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ก็ฟุ้งแล้วก็ตั้งใหม่ฟุ้งแล้วก็ตั้งใหม่รู้สึกท้อใจแต่บางวันนั่งแล้วแค่ไม่ถึงสามสินาทีก็รู้สึกสงบแล้วก็เกิดช่ำใจมีอันนี้สองต่างกันเพราะเหตุการณ์ในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันไง บางวันเรื่องมากบางวันเรื่องไม่มากมันนบางวันปัญหามากทะเลาะกับคนนั้นคนนี้มันก็ทำให้ใจมันฟุ้งมากเวลาจะทำให้มันสงบก็ยากอีกปัจจัยหนึ่งก็สติของเราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็เผลอบางวันก็ควบคุมได้ฉนั้นเวลานั่งของแต่ละครั้งแต่ละวันมันจริงมักจะไม่เหมือนกันอยู่ที่สองปัจจัยนี้ เหตุการณ์ภายนอกที่มากระตุ้นให้ใจเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็เหตุการณ์ภายในยก็คือสติของเราบางทีเราก็เผลอไม่ค่อยไม่ค่อยพุทธโธไม่ค่อยควบคุมความคิดไว้มันก็เลยพอมาทำมันก็เลยยากง่ายต่างกันไปในแต่ละวันแต่ละครั้งก็ต้องถือว่ามันเป็นปกติของผู้ปฏิบัติแบบผู้เริ่มต้นเพราะว่า ใจมันชอบเผลอมากกว่าชอบตั้งสติงั้นเราต้องพยายามหยิกตัวเองว่ามีสติหรือเปล่าพุโทโธอยู่หรือเปล่าะหรืเอเขียนพุโทโธมันเต็มบ้านไปหมดเลยเดินไปไหนก็เห็นป้ายพุโทโธพุโทโธมันจะได้เตือนสติว่าพุโทโธหรืเอเปล่าอย่าปล่อยใจให้คิดชอบคิดชอบคุยกับตัวเองใช่หไหมคุยเนั่องนั้นคุยเรื่องนี้นั่นแหละโดยไม่รู้สึกตัวว่าเผลอแล้วะ ถ้าไม่เผ่อ น, นี่ต้องหยุดคุยกับตัวเองต้องดูเข้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่เืยต้องคุยกับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวพุโทโธไปพุโทโธมาพุโทโธไปพุโทโธมาเธอก็พุโทโธฉันก็พุโทโธถ้าอย่างนี้เดี๋ยวใจก็มีสติขึ้นมาสาธุครับเดี๋ยวอยากจะถามเลยต้องตอบไป ครับเรนพระอาจารย์ครับผมพอดีว่าพอดีจะถามพระอาจารย์ว่าคุณพ่อเพิ่งเสียไปประมาณสองปีเป็นมะเร็งครับวันนี้จะฝันถึงท่านบ่อยครับก็ไม่รู้ว่าที่ฝันถึงท่านนี่ท่านเป็นห่วงเราหรือว่าเราจิต เ, เราจะผูกกับท่านอยู่แล้วก็เราทำบุญถึงท่านเนี่ย ท่านจะได้รับหรือเปล่าแล้วก็ถ้าทําได้รับหรือท่านไปสบายเราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านท่านท่านได้รับแล้วท่านท่านไปสบายแล้วประมาณนี้ครับอยากอยา ก, อยากถามพระอาจารย์ อ, อ๋อถ้าเราไม่มีพลังจิตเราไม่รู้หรอกต้องฝึกภาวนาจิตเข้าสมาธิไปติดต่อกับโลกทิพย์ได้นะ่ะถึงจะพอจะรู้เช่นพระพุทธเจ้านี่หรือว่าแม่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกัน เผื่อท่านรอรับบุญอยู่ท่านก็จะได้รับถ้าไม่ได้รับบุญก็ไม่เป็นไรเพราะบุญที่เราแบ่งไปมันเหมือนน้ำน้าที่ติดอยู่ในแก้วทั้งเองบุญส่วนใหญ่ยังเป็นของเราอยู่เก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นเป็นของเราเปอร์เซ็นเดียวเป็นบุญที่เราอุทิศไปการทำบุญนี้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ได้ที่ตัวเรามากกว่าให้ได้ที่ผู้ตายซึ่งเราควรจะทาเพราะเราเนี่ยต้องอาศัยบุญ เพื่อต่อไปเวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญจากคนอื่นนะอันนี้คือเรื่องของบุญอุทิศมันเป็นอย่างนี้เราจะรู้ไม่รู้นี่เราถ้าเรามีพลังจิตเราเข้าสมาธิระดับอุปจารสมาธิได้เราถึงจะรู้ถึงจะรับติดต่อกับกายทิพย์ได้จะรู้ว่าพ่อมาหาเราจริงหรือไม่แต่ถ้าเราไม่มีส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจากความคิดของเรามากกว่า ความรักความหวงใ ย, ยของเราก็เราก็ทำให้คิดถึงรูกฝันถึงท่านไปเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปกังวลมากทำตามหน้าที่ทำตามฐานะของเราเมื่อเราไม่รู้ก็คิดเสียว่ามันเป็นความคิดของเราก็แล้วกันถ้าเป็นความคิดของท่านต้องมีอะไรพิสูจน์ยืนยนันได้เช่นบอกว่าเออฝากเงินไว้ในในในสวนเนี่ยลองไปขดดูนี ถ้าไปขุดดูว่ามีสแสดงว่านี่ท่านมาหาเราจริงนะแต่ถ้าไม่มีอะไรมายืนยันเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราก็อย่าไปกังวลกับมันก็แล้วกัาคิดว่าเป็นเรื่องความฝันไปถ้าฝันบอกว่าท่านบอกไปไปไปขุดเจนี่ยที่ในสวนเนี่ยข้างต้นมะม่วงเนี่ยมีมีถุงอยู่ถุงหนึ่งเก็บเงินไว้ลองไปขุดดูตามที่เราฝันดูถ้าขุดได้ก็สแสดงว่าไม่ใช่ฝันนะ พ่อมาเข้าฝันจริงๆครับล้าศครับผมขอถามอีมออสักน่อครับอาจารย์ครับพอดีเคยเจอประสบเอิกาเนือผมเป็นคนที่เป็นผู้รับเหมาครับเดินทางป่อยไปต่างจังหวัดล่อยคราวนี้ก็คือเวลาไปนอนโรงแรมหรือว่าเราขับรถระหว่างทางนี่มันความรู้สึกว่ามันมันมีอะไรสักอย่างตามตัวเราประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็เวลาไปพักห้องพักอะไรก็จะมี เสียงหรือว่าจะมีเหมือนมีคนมากระตุกเท้ากระตุกอะไรแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือมีงูเข้าห้องเข้าอะไรอันนี้จนเราต้องไม่สบายใจต้องไปเข้าวัดปฏิบัติแล้วก็อุทิศบุตกุศลถว า, ายสังฆทานถึงถึงจะสบายใจถึงจะหายอย่างนี้อันนี้ถามพระอาจารย์ว่ามันจะมีเรื่องที่เรา ท, ที่เกินที่เราจะมองเห็นหรือว่าเกินที่เราจะ ประมาณนี้เราเปล่าครับอาจารย์เนืน้อวิบากของเราเนี่ยเราไปทําร้ายคนอื่นไปทําบาปทํากรรมมันก็ฝังอยู่ในใจเราแล้วมันก็มาหลอกเราแล้วมาหลอกมาหลอนเราไม่มีอะไรหรอกเรื่องจิตหลอนจิตหลอกเกิดจากการทําบาปของเราครั ถ, <า>ถ้าเราทําบุญมันก็จะไม่มีอะไรมาหลอนมาหลอกพระพุทธเจ้าบอกคนทําบุญนี่หลับสบายตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีใครจะมาคิดจองร้ายจองผานเราจองร่างจองผานเราฉนั้นอดีตเราคงจะทำบาปมามากกว่าทำบุญนะมอนทำมันเลยทาให้จิตของเราเป็นอย่างนี้อืรพะตอนนี้พยายามทำบุญไปเยอะๆทุกครั้งเข้าวัดทำบุญแล้วก็หายไปพักหนึ่งฮอบุญมาบุญมากบบาปที่มันทำไว้ที่เราทำไว้แต่ถ้ามันกลับมาอีกก็ต้องทาบุญอีก อย่าทำไปเรื่อยๆทุกวันนะต่อไปมันจะไม่มีความคิดรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับเราลองหัดใส่บาตรแล้วลองทําบุญทุกวันดูสิไม่ได้ใส่กับบากับพระก็ใส่กับปลูกไว้ก่อนก็ได้พอเวลาไปวัดก็เอาเงินที่เราตั้งใจจะทําบุญนี้อไปถวายวัดไปครับลาทุกครับพอาจารย์แล้วจิตจะสบายจิตจะมีความสุขเนี่ยอย่าหลอกตัวเองนะว่าทําบุญเอาเงินใส่กับปุก พอเด๋ยวงินขาดก็ขอยืมเงินของของบุญไปไม่ได้นะมันก็จะไม่ได้ผลนะมันต้องมันต้องสัจจะต้องจริงใจต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่เล่นลิเกหลอกตัวเองนะเหมือนคนเอาลูกมาถวายพระแล้วก็ข อ, อคืนเงี้ยนี่มันหลอกกันเนี่ยเขาบอกเอาไปเอาลูกไปถวายพระแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะหายเอาไปถวายเสร็จก็ขอเอากลับคืนไปมันก็ไม่ได้ถวายนะใช่ไหมหลอกกันเล่นลิเก ถ้าถวายพระก็ต้องให้อยู่กับวัดไปสิเ้อยาวกลับสิอย่างนี้มันมันก็ไม่หายหรอกมันต้องทำจริงจังมันถึงจะหายคำถามจากคุณสุบินค่ะมีวิธีไหนบ้างคะที่ใจจะเลิกหมกมุ่นคิดซ้ำๆว่าตัวเราต้องแบกภาระที่น้องทิ้งสุนัขให้เลี้ยงเช้าเย็นต้องดูแลตัวเขาก็ไม่อยู่ มีพี่น้องฐานะดีแต่เขาก็ไม่ช่วยเลยตัวลูกเองก็ต้องไปคิดซ้ำๆเครียดเจ้าค่ะเกิดเหตุว่าเป็นโอกาสเราได้ทำบุญได้สร้างบารมีได้ทานบารมีซึ่งนานๆนอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งตอ น, นนี้เรามีโอกาสแล้วเขาโยนหมามาให้เราถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าถ้าเราเป็นหมามีคนมาเลี้ยงเราเราจะรู้สึกยังไง มันจะรักเรานะถ้าเราเลี้ยงหมาใครมาเลี้ยงเราเราก็จะรักเขาเนะี่ยเลี้ยงไปเถอดแล้วชีวิตจะมีความสุขคนที่มีความซึมเศร้าคนที่มีความทุกข์นี่ความเหงาเนี่ยพอเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วหายเหงาเลยพาะมีเพื่อนมีคนมีสมีสัตว์ที่จะต้องคอยเลี้ยงดูให้ความเมตตากับมันแล้วสัตว์มันก็ดีมันไม่มันไม่เ น, น, นรคุณนะนะนะมันมันรักเราจริงๆริมัน มันซื่อสัตว์นะมันมันไม่มีเสแสร้งเหมือนคนนะเหนั้นเวลาสบายเนี่ยต่างประเทศฝรั่งนี้เขาบางทีอยู่กับคนอื่นไม่ได้พออยู่คนเดียวตามลําพังก็ซึมเศร้าเหงาเขาเลยปิติแพทย์คนนี้แนะนำบอกเอาเอาหมาไปเลี้ยงเอาสัตว์ไปเลี้ยงดีกว่าพอสัตว์เลี้ยงก็มีเพื่อนมีภาระต้องเลี้ยงดูเขาพอเลี้ยงดูเขาเห็นเขามีความสุขเขาแล้ะ เ่าเขาก็เด็กขังแล้วเห็นแล้วก็ดีใจเวลาเจอเขาก็วิ่งมากอดเราเนีมันก็ทําให้เรามีเพื่อนมีความสุขขึ้นมาเราต้องพลิ ก, กวิกฤตให้เป็นโอกาสมองอีกมุมหนึ่งมุมว่าเราอยู่ดีๆก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญนะได้สร้างบารามีนะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะ อาจารย์เคยให้หนูใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ทําสมาธิที่เงียบๆตอนนี้หนูใช้เวลาช่วงหัวค่ำหลังเลิกงานและกิจประจําวันอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงกับการเดินสวดมนต์แล ะ, ะนั่งสมาธิระหว่างวันในกิจประจําวันพบว่าหนูจะอยู่ที่ร่างกายมากขึ้นจะทําการใดก็รับรู้ทุกขณะในกิจงานนั้นๆรับรู้อาการของร่างกายทั้งคิด พูดเดินนั่งขับรถและความรู้สึกของใจในสภาวะต่างๆแต่ไม่ไปเกาะกับความรู้สึกนั้นมันผ่านมารับรู้แล้วก็ผ่านไปมีบ้างที่คิดฟุ้งออกไปแต่เป็นระยะเวลาสั้นน้อยบางสภาวะที่ใจว่างคือไม่ดีไม่สุขหนูพบว่าความว่างนั้นไม่ได้ว่างจริงหนูเห็นมีโมหะไหลบางๆเพียงแค่มันไม่แสดงออกมาให้เห็นจึงไม่สนใจกลับมามอง ตัวเองอีกครั้งในที่ชัดเจนกว่าเช่นลมเข้าออกหรือสภาวะที่เป็นตรงจุดต่างๆของร่างกายที่ชัดเจนกว่าขณะนี้ระหว่างวันความรู้สึกที่จะไปเกาะเกี่ยวกับสภาวะภายนอกน้อยลงรับรู้แต่ไม่สนใจมันเด้งกลับมาที่ลมหายใจหรือในกายอัตโนมัติความฟุ้งจากการคิดมีบ้างสั้นลงน้อยลงกําลังหาทางจะทําอย่างไรขอหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนําทางต่อเจ้าค่ะ ก็ต้องหาเวลานั่งให้มากขึ้นเวลานั่งนี่แหละมันจะหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่แต่เรายังมีการเคลื่อนไหวยอยู่มันก็ยังมีการผลิตอารมณ์มีอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ใช้สติคอยคุมมันท่านเองแต่หยุดมันไม่ได้จะหยุดมันได้นี่ต้องนั่งหลับตา แล้วก็ใช้สติเกาะติดอยู่กับลมหายใจหรือเกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบมากขึ้นแล้วเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะเย็นจะสบายอยู่ระยะหนึ่งถ้าเรานั่งบ่อยๆมันก็จะเย็นต่อเนื่องกันพอมันหายเย็นเราก็เข้าไปนั่งสมาธิใหม่พอออกมาจากสมาธิพอมันหายเย็นก็กลับเข้าไปใหม่ ทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าต่อไปใจเราจะเย็นสบายแล้วไม่อยากจะยุ่งกับใครคำถามจากคุณคิตตี้ค่ะหนูเคยสงสัยบางครั้งว่าการที่เราเก็บตัวในบ้านไม่ไปไหนรักษาเศษแปดกับคนพิการที่อยู่บ้านทําบาปไม่ได้เพราะพิการมีความแตกต่างของผลบุญที่ได้อย่างไรเจ้าค่ะอยู่ที่เจตนาไงคนพิการนี่ยังอาจจะมีเจตนาอยากจะทําบาปอยู่แต่ทําไม่ได้ ถูกห้ามเพราะพิการแต่ไม่ได้ห้ามด้วยปัญญาเราห้ามด้วยปัญญาถึงแม้เราร่างกายจะทําได้เราก็ไม่ทํามันต่างกันดังนั้นมันหลังที่จิตที่ร่างกายจะเหมือนกันเหมือนคนพิการแต่ที่จิตนี่ไม่เหมือนกันคนพิการนี่ยังอาจจะอยากจะไปขโมยของอยากจะไปฆ่าคนนั้นคนนี้เพียงแต่ทําไม่ได้ทําเองไม่ได้บางทีก็หาวิธีจ้างคนอื่นทําก็ไมีเห็นไหม แต่คนที่ถือศีลแปดมีปัญญารู้ว่าการทําบาปไม่ดีต้องละเว้นจากการทําบาปถึงแม้จะทําได้ก็ไม่ทำํำนะต่างกันตรงนั้นคําถามจากคุณจุฬารักษ์ค่ะขณะถือศีลแปดสามารถใช้สบูอ่อาบน้ําที่มีขาตามท้องตลาดทั่วไปได้ไหมคะเพราะสบู่เดียวนี้เกือบทั้งหมดจะผสมน้าหอมลงไปด้วยเจ้าค่ะหากเราใช้ศีลแปดจะขาดหรือไม่คะก็เอาอย่างที่มันหอมน้อยที่สุดก็แล้วกันอะา หรือไม่ต้องใช้มันเลยก็ได้สมัยก่อนไม่มีสบู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็อาบน้ําไปน้ํามันก็ชำะระเหงื่อใข้ชำระไอสิ่งที่มันทําให้มีกลิ่นเหม็นได้ก็พอถ้าอยากจะแข็งคัสกับสี่งแปลกจริงๆสมัยก่อนน้องตาท่านใช้สบู่สันไล่สบู่ซันไลนี้ไม่มีกลิ่นสมัยนี้ก็มียี่ห้อสบู่เด็กนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีกลิ่นแต่อาจจะมีบ้างแต่มันก็ทำไม่ได้มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสมัยนี้จะขายของอะไรมันก็ต้องมีอะไรดึงดูดคนซื้อเขาก็เลยอาจจะต้องใส่กองใส่กลิ่นไม่งั้นก็ใช้น้ำย า, าล้างจานก็ได้มันก็มีกลิ่นอีกมันไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นมันมีกลิ่นไม่หมดไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้น้ำเปล่าๆก็ได้ คำถามจากคุณปรางทิพย์ค่ะที่ฉันมีอาการเจ็บบิดซี่โครงซ้าย บ, ายบาย่อยๆพอเจ็บทีไรทุกครั้งก็จะภาวนาพุทโธ ท, ทีทีอาการนั้นจะคลายลงจนหายค่ะไม่ทราบว่าทำไมเป็นเช่นนั้นถ้าหากเราตายในขณะนั้นที่เป็นอาการเช่นนั้นเช่นนี้พร้อมภาวนาอยู่จะไปอยู่ในอัตภาพอย่างไรคะก็ถ้าจิตสงบมันก็ไปสุคตินะ ถ้ามันไม่วุ่นวายมันไม่เครียดมันไม่ทุกข์มันก็ไม่ไปทุกขติเห็นี้นก็ทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปเวลาตายใจสงบก็ไปสวรรค์ได้ถ้าใจเครียดใจทุกข์ใจหวาดกลัวก็ไปอบายแทนคำถามจากคุณคิตตี้ค่ะ หากเราคิดในใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีลและไม่ออกไปไหนไม่เจอใครไม่ทำอะไรเลยถือว่าเรารักษาศีลหรือเปล่าเจ้าคะหนูเคยสงสัยแบบนี้คนพิการบางคนก็รักษาศีลได้สิคะหาคำตอบชัดเจนไม่ได้เจ้าคะ่ะก็เราตั้งใจความตั้งใจกับความจริงมันตรงกันหรือเปล่าเช้าเราตั้งใจว่าจะไม่ไปไหนเดี๋ยวเพื่อนโทรศัพท์มาชวนเขเปลี่ยนใจไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้รักษาศีลแล้ว ต้องอยู่ที่ว่าเราทำตามที่เราตั้งใจได้หรือเปล่าถึงจะครบบริบูรณ์เจตนานี้เป็นเพียงตัวนำเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวศีลที่แท้จริงตัวศีลอยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาว่าเราทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้หรือไม่งนั้นอยู่ที่ความอยู่ที่การกระทำต้องมาดูที่การกระทำ ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการก็เหมือนกันพิการก็ยังไปเที่ยวได้เดี๋ยวก็ชวนเพื่อนให้มาขับรถพาไปหน่อยว่าคำถามจากคุณพัทรมน์ค่ะ เมื่อตอนเด็กบ้านดิฉันเลี้ยงสุนักตัวหนึ่งกําลังกินไก่สดอยู่ดิฉันไปแย่งเขาก็เลยกัดตัวดิฉันคุณพ่อเห็นก็เลยเอาไม้ตีสุนักตัวนั้นตายเวลานี้ผ่านมากว่าสี่สิบกว่าปีแล้วเมื่อสามเดือนที่แล้วยังมาเข้าฝันว่าสุนักก็โจรมากัดไม่ทราบว่าตัวดิฉันเนี่ยจะมีส่วนบาปอีกไหมเจ้าคะก็มีส่วนเราไปแย่งอาหารเขานะไปขโมยอาหารเขา แล้วพ่อก็มาช่วยข้าบาปด้วยกันทั้งคู่แต่มันยังติดคาตใจเราอยู่ไงถ้าเป็นบุญแนละ้วมันไม่มันไม่ติดคาใจเราหรอะงั้นอย่าไปทำบาปอย่าไปย่งอาหารของคนอื่นถึงแม้จะไม่เอามากินเองก็ตามถ้าใครมาแย่งอาหารเราเราจะโกรธไหมนะใช่ไหมกำลังหิวกำลังกินอยู่นี่เพื่อนมาเอาไปอย่างเงี้ย อ, อยากจะถาม บรรยกาศนการเาค่ะจะถามพระอาจารย์เรื่องการทําบุญแต่ว่าเข้าใจแล้วเรื่องการทําบุญว่ามันต้องเป็นเราตั้งใจทําแล้วก็เป็นเงินของเราอะไรอย่างเงี้ยบุญยังไงก็เหมือนกันแต่โยมเคยไปวัดป่าบางวัดทางภาคเหนือเช้ค่ะท่านเน้นที่ว่าคือใส่บาตรเน้นที่การใส่บาตร โยมก็ว่าเอกการที่เรามาถวายของเหมือนบางทีเราไปถวายแล้วเราก็เอาของอย่างอย่างถวายที่วัดญาณนะนะคะเจ้าค่ะอย่างนั้นน่ะกับการที่ว่าการเราต้องไปใส่บาตรบุญอันไหนสําคัญกว่ากันเหมือนกันนะ่ะมันอยู่ที่การเสียสละของเราเจ้าค่ะโยมก็มันถึงแต่ว่าทางวัดเขาอาจจะขาดแคลนอาหารก็เราอยากจะให้เราใส่บาตรมากกว่าเพราะบางทีมีญาติโยมมาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยก็อาศัยอาหารที่ใส่บาตรนี่มาแบ่งปันให้คนที่อาศัยอยู่ในวัด เอาถวายสังฆทานผ้านี่มีเยอะแยะแล้วบางทีก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรท่านก็ะลาจะเน้นเรื่องบิณฑบาตก็ได้เพราะว่าอย่างอย่างประโยชน์แต่คนให้ให้อะไรก็ได้บุญเหมือนกันแต่คนรับนี่อาจจะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเอาของไปถวายแล้วท่านก็เน้นว่าอทําไมไม่ใส่บาตรต้องใส่บาตรแล้วแสดงว่าท่านอยากจะได้อาหารแต่ท่านก็มีอาหารแล้วนะจ๊ะที่ขุดหรืออาจจะท่านอาจจะเชื่อว่า อาหารนี้ให้อาหารแล้วเวลาตายไปจะได้ไม่เป็นเปรตมันจะได้มีอาหารมีอาหารกินก็ได้แตอาจจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้แต่ความจริงไม่เป็นไรหรอกถวายอะไรก็ได้เป็นเป็นเหมือนกันเหมือนกันโยมก็โยมฟังพระอาจารย์มาตลอดก็เลยคิด่าเอ๊อแต่พอไปทางวัดป่าทางเหนือท่านก็บอกแต่บางแหง่งบางที่เขาขาดแคลนอะไรเขาก็อยากจะเน้นให้เราถวายสิ่งนั้น อะไรอาจจะแล้วแต่หรืออาจจะเป็นความเชื่อของคนสอนก็ได้ว่าถ้าไม่ใส่บาตรถวายแต่ของแห้งของใช้เดี๋ยวเวลาตายไปไม่มีของกินก็ได้อ่ออย่าจจคิดอย่างนั้นก็ได้ ของคนเนไม่ฝันว่านอนหลับไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ใส่น้ําไม่พระ <c oughs> ไปไหนก็ไม่มีน้ํากินพอฟื้นมานี่บอกคนญาโยมเลยมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพระถวายน้ําคนละขวดสองขวดไว้ในบาโน้ตแล้วพระจะแบบคิ้วไปไหวที่ไหนละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมมันต้องดูความเหมาะสมความพอต้องพร้อมเนะ่ยขาดทิ้งไหนก็ควรจะให้ขาดน้ําเข้าไปถวายที่วัดสิแม้จะมาให้พระแบกคิ้วโ <c oughs> ดนกลับวัน